ธรรมบทแปลเรื่องที่182เรื่องบุตรของนายโคคาดข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราล บ, บุตรของนายโคคาดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานีว่าปันดุปลาโซวะดานิสิเป็นต้น ตอนนายโคคาดสั่งให้พระยาปิ้งเนื้อดังได้สดับมานายโคคาดคนหนึ่งในพระนครเสวัตรีฆ่าโคแล้วถือเอาเนื้อล่าให้ปิ้งแล้วนั่งพร้อมด้วยบุตรและพระยาเคี้ยวกินเนื้อและขายด้วยราคาเขาทําโคคาตากกรรม คือการงานของคนฆ่าโคอยู่อย่างนี้ตลอดห5ปีมิได้ถวายยาคูหรือพัดแม้มากว่าทัาพีหนึ่งในวันหนึ่งแด่พระศ ส, สดาซึ่งประทับอยู่ในวิหารใกล้เขาเว้นจากเนื้อเสียยอมไม่บริโภคพัดวันหนึ่งเขาขายเนื้อในตอนกลางวันแล้ว ให้ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งแก่ภริยาเพื่อปิ้งเพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วได้ไปอาบน้าในลำดับนั้นสหายของเขามาสู่เรือนแล้วพูดกับภริยาว่าลอนจงให้เนื้อที่จะพึงขายแก่ฉันหน่อยหนึ่งเพราะแขกมาที่เรือนฉันภริยานายโขคาต เนื้อที่จะพึ่งขายไม่มีสหายของท่านขายเนื้อแล้วบัดนี้ไปอาบน้ำสหายอย่าทําอย่างนี้เลยถ้าก้อนเนื้อมีขอจงให้เถิดภริยานายโขคาาเว้นก้อนเนื้อที่ฉันเก็บไว้เพื่อสหายของท่านแล้วเนื้ออื่นไม่มีเขาคิดว่า เนื้ออื่นจากเนื้อที่หญิงนี้เก็บไว้เพื่อประโยชน์แก่สหายของเราไม่มีอันหนึ่งสหายของเรานั้นเว้นจากเนื้อย่อมไม่บริโภคหญิงนี้จักไม่ให้จึงถือเอาเนื้อนั้นเองหลีกไปฝ่ายนายโขคาดอาบน้ำแล้วกลับมาเมื่อภริยานั้นคดพัด นำเข้าไปพร้อมกับผักต้มเพื่อตนจึงพูดว่าเนื้ออยู่ที่ไหนภริยานายเนื้อไม่มีนายโขคาดเราให้เนื้อไว้เพื่อต้องการปิ้งแล้วจึงไปไม่ใช่หรือภริยาสหายของท่านมาบอกว่าแขกของฉันมา หล่อนจงให้เนื้อที่จะพึงขายแก่ฉันเมื่อฉันแม้ตอบว่าเนื้ออื่นนอกจากเนื้อที่ฉันเก็บไว้เพื่อสาายของท่านไม่มีอนหนึ่งสหายของท่านนั้นเว้นจากเนื้อย่อมไม่บริโภคก็ถือเอาเนื้อนั้นโดยพละการเองทีเดียวไปแล้วนายโค ข, ขาดเราเว้นจากเนื้อ ไม่บริโภคพัดหล่อนจงนำพัดนั้นไปภริยาฉันอาจทำอย่างไรได้ขอจงบริโภคเถิดนายตอนนายโขคาดตัดลิ้นโคมาปิ้งบริโภคนายโขคาดนั้นตอบว่าเราไม่บริโภคพัด ให้พริยานำพัดนั้นไปแล้วถือมีดไปสู่สัานักโคตัวยืนอยู่ที่หลังเรือนแล้วสอดมือเข้าไปในปากดึงลิ้นออกมาเอามีดตัดที่โคลิ้นแล้วถือไปให้ปิ้งบนฐานเพลิงแล้ววางไว้บนพัดนั่งบริโภคก้อนพัดก้อนหนึ่งวางก้อนเนื้อก้อนหนึ่งไว้ในปาก ในขณะนั้นเองลิ้นของเขาคาตกลงในถาดสำหรับใส่พัดในขณะนั้นแลเขาได้วิบากที่เห็นสมด้วยกรรมแม้เขาแลเป็นเหมือนโคมีสายเลือดไหลออกจากปากเข้าไปภายในเรือนเที่ยวคลานร้องไปตอนบุตรนายโคคาดหนี สมัยนั้นบุตรของนายโขคาดยืนเลดูบิดาอยู่ในที่ใกล้ลําดับนั้นมารดาพูดกับเขาว่าลูกเจ้าจงดูบิดานี้เที่ยวคลานร้องไปในถ้ำกลางเรือนเหมือนโคความทุกนี้จากตกบนกระหม่อมของเจ้าเจ้าไม่ต้องห่วงแม้ซึ่งแม่จงทําความสวัสดีแก่ตนหนีไปเถิด บุตรนายโคคาดนั้นถูกมรณภัยคุกคามว่ายมารดาแล้วหนีไปก็แลครั้นหนีไปแล้วได้ไปยังนครตักศกิลาแมหนายโคคาดเป็นเหมือนโคเที่ยวร้องไปในถ้ำกลางเรือนทำกาละแล้วเกิดในเอเวจีแม้โคก็ได้ทำกาละแล้ว ไฟบดของนายโคคาดไปนครตักศิลาเรียนการงานของนายช่างทองลำดับนั้นอาจารย์ของเขาเมื่อจะไปบ้านสั่งไว้ว่าเธอพึงทำเครื่องประดับชื่อเห็นปานนี้แล้วหลีกไปเขาก็ได้ทำเครื่องประดับเห็นป่านนั้นแล้วลำดับนั้นอาจารย์ของเขามา เห็นเครื่องประดับแล้วตำรี่ว่าชายผู้นี้ไปในที่ใดที่หนึ่งเป็นผู้สามารถจะเลี้ยงชีพได้จึงได้ให้ธิดาผู้เจริญวัยของตนแก่เขาเขาจเจริญด้วยบุตรธิดาแล้วตอนลูกทำบุญให้พ่อลำดับนั้นบุตรทั้งหลายของเขาจเจริญวัยแล้ว เรียนศิลปะในการต่อมาไปพระนครสาวัตถีดำรงขราวาดอยู่ในพระนคร น, นั้นได้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสฝ่ายบิดาของพวกเขาไม่ทำกุศลอะไรอะไรเลยถึงความชราในนครตกศิลาแล้วลำดับนั้นพวกบุทของเขาปรึกษากันว่า บิดาของพวกเราแกแล้วให้เรียกมายังสำนักของตนพูดว่าพวกฉันจะถวายทานเพื่อประโยชน์แก่บิดาแล้วนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานวันรุ่งขึ้นพวกเขานิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้นั่งภายในเรือแล้วอังฆาตโดยเคารพ ในเวลาเสร็จพัตกิจกราบทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข่าพวกข้าพระองค์ถวายพัดนี้ให้เป็นชีวพัดคือพัดเพื่อบุคคลผู้เป็นอยู่เพื่อบิดาขอพระองค์จงทรงทรรมอนุโมทนาแก่บิดาของพวกข้าพระองค์เถิดตอน พระสัสดาทรงแสดงธรรมพระสัสดาตรัสเรียกบิดาของพวกเขามาแล้วตรัสว่าอุบาสกท่านเป็นคนแก่มีสรีระแก่งอมเช่นกับใบไม้เหลืองเสเบียงทางคือกุศลเพื่อจะไปยังปรโลกของท่านยังไม่มีท่านจงทาที่พึ่งแก่ตน จงเป็นบัณฑิตอย่าเป็นพานดังนี้แล้วเมื่อจะทรงทรรมอนุโมทนาจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าปันดุปลาโซวะดานิสิยะมะปุริซาปิจเตอุปธิตาอุยโยกมุเขปิตทสิป่าเทยังปิจเตนวิจติ โซโกโรโิดีปมัตตโนขิปังวายามะปันดิโตภะวะนิทันตมะโลอนังกโนดิบังอริยภูมิเมหิสิบัดนี้ท่านเป็นดุจใบไม้เหลืองอันหนึ่งบุรุษแห่งพระยายมคือความตายปรากฏแก่ท่านแล้ว ท่านตั้งอยู่ใกล้ปากแห่งความเสื่อมอันหนึ่งแม้จะเบี่ยงทางของท่านก็ยังไม่มีท่านนั้นจงทําที่พึ่งแก่ตนจงรีบพยายามเป็นบัณฑิตท่านกำจัดมลทินได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินจากถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์ตอนแก้อัด บรรดาบทเหล่านั้นบาพระกาถาว่าปันดุปลาโซวะดานิสิความว่าอุบาศบัด น, นี้ท่านได้เป็นเหมือนใบไม้ที่เหลืองอันขาดตกลงบนแผ่นดินทูตของพระยาลมพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ายะมะปุริซาแต่คำนี้ พระองค์ตรัสหมายถึงความตายนั่นเองอธิบายว่าความตายปรากฏแก่ท่านแล้วบทว่าอุยโยกามุเคความว่าก็ท่านเป็นผู้ตั้งอยู่แล้วใกล้ปากแห่งความเสื่อมคือใกล้ปากแห่งความไม่เจริญบทว่าปาเทยังความว่าแม้สเสบียงทางคือกุศลของท่าน ผู้จะไปสู่ปรโลกก็ยังไม่มีเหมือนสเสบียงทางมีข้าวสารเป็นต้นของบุคคลผู้เตรียมจะไปยังไม่มีฉะนั้นสองบทว่าโซโกรอหิความว่าท่านนั้นจงทําที่พึ่งคือกุศลแก่ตนเหมือนบุคคลเมื่อเรืออับปางในสมุทราที่พึ่งกล่าวคือเกาะ แก่ตนฉะนั้นและท่านเมื่อทำจงรีพยายามคือจงปรารบความเพียรเร็วๆจงเป็นบัณฑิตด้วยการทําที่พึ่งกล่าวคือกุศลกรรมแก่ตนด้วยว่าผู้ใดทํากุศลในเวลาที่ตนยังไม่ถึงปากแห่งความตายสามารถจะทําได้นั่นแลผู้นั้นชื่อว่าเป็นบัณฑิต อธิบายว่าท่านจงเป็นผู้เช่นนั้นอย่าเป็นอันธพานสองบทว่าดิบบังอริยภูมิงความว่าท่านทําความเพียรอยู่อย่างนี้ชื่อว่าผู้กําจัดมวลทินได้แล้วเพราะความเป็นผู้นํามวลทินมีราคาเป็นต้นออกเสียได้ชื่อว่าไม่มีกิเลสเพียงดังเนินคือหมดกิเลส เพราะไม่มีกิเลสเพียงดังเดินจากถึงชั้นสุทธาวาสคือภูมิเป็นที่อยู่แห่งพระอริยบุคคลผู้หมดจดแล้วห้าอย่างในการจบเทศนาอุบาสกตั้งอยู่ในโสดาปติผลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่หมู่ชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้ตอน พวกบุตรถวายทานอีกบุตรเหล่านั้นทูลนิมนต์พระศาสดาแม้เพื่อประโยชน์ในวันรุ่งขึ้นถวายทานแล้วได้กราบทูลพระศาสดาผู้ทรงธรรมพัฒกิจแล้วในเวลาทรงอนุโมทนาว่าพระเจ้าข่าแม้พัดนี้พวกข้าพระองค์ถวายให้เป็นชีวพัดเพื่อบิดาของปวงข้าพระองค์เหมือนกัน ขอพระองค์จงทําอนุโมทนาแก่บิดานี้นี่แลพระสัสดาเมื่อจะทรงทําอนุโมทนาแก่เขาได้ตรัสสองพระคาถามีว่าอุปนีตวโยวดานิสิสัมปายาโตสิยมัสสะสัตติกังวาโซปิจะเตนัติอันตรา ปาเทยังปิจเตนะวิชติโซโกรหิดีปะมัตโนคิปังวายามะปันดิโตาวะนิธันตะมะโลอนังกโนณปุณะชาติยรังอุเปหิสิบัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยอัญชารานำเข้าไปแล้วเป็นผู้เตรียมพร้อม เพื่อจะไปสำนักของพระยายมอันหนึ่งแม้ที่พักในระหว่างทางของท่านก็ยังไม่มีอันหนึ่งถึงสเสบียงทางของท่านก็หามีไม่ท่านนั้นจงทําที่พึ่งแก่ตนจงรีบพยายามจงเป็นบัณฑิตท่านเป็นผู้มีมนตทินอันกำจัดได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินจากไม่เข้าถึงชาติ ชราอีกตอนแก้อัดสับว่าอุปะในบทว่าอุปนีตวโยในพระคาถานั้นเป็นเพียงนิบาทท่านมีวัยอัญชรานำไปแล้วคือมีวัยผ่านไปแล้วได้แก่มีวัยล่วงไปแล้วอธิบายว่าปัดนี้ ท่านล่วงไวทั้งสามแล้วตั้งอยู่ใกล้ปากของความตายบาประคาถาว่าซัมปยาโตสิยมัสสะสันติกังความว่าท่านตระเตรียมจะไปสู่ปากของความตายตั้งอยู่แล้วบาประคาถาว่าวาโซปิจเตนัถิอันตราความว่าพวกคนเดินทาง ย่อมพักทมกิจนั้นๆในระหว่างทางได้ฉันใดคนไปสู่ปรโลกย่อมพักอยู่ฉันนั้นไม่ได้เพราะคนไปสู่ปรโลกไม่อาจเพื่อจะกล่าวคำเป็ดต้นว่าท่านจงรอสักสองถึงสมวันข้าพเจ้าจะให้ทานก่อนจะฟังทำก่อนก็บุคคลเคลื่อนจากโลกนี้แล้ว ย่อมเกิดในปรรโลกทีเดียวคำนั่นพระสัสดาตรัดหมายเอาเนื้อความนี้บทว่าปาท้ยอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัดไว้ในหนหลังแล้วก็จริงแลถึงอย่างนั้นพระสัสดาทรงถือเอาในพระคาถาแม่นี้ก็เพื่อทรงทำให้มั่นบ่อยๆแกอุบาสกแม้พยาธิและมรณะ ก็เป็นอันทรงถือเอาในบทว่าชาติจรังนี้เหมือนกันก็พระผู้มีพระภาคตรัสอนณาคามิมักด้วยพระคาถาในหนหลังตรัสอรหัตมักในพระคาถานี้แม้เมื่อเป็นเช่นนั้นอุบาศกเมื่อพระศาสดาแม้ทรงแสดงธรรมด้วยสามารถแห่งมักชั้นสูง ก็บรุโสดาปฏิผลชั้นต่ำแล้วจึงบรรลุอนาคามิผลในเวลาจบอนุโมทนานี้ตามกำลังอุปนิสัยของตนเหมือนเมื่อพระราชาทรงปั้นพระกระยาหารขนาดเท่าพระโอษของพระองค์แล้วทรงนำเข้าไปแก่พระโอรสพระกุมารทรงรับโดยประมาณพระโอษของพระองค์เท่านั้นฉะนั้น พระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทที่เหลือดังนี้แลเรื่องบุตรของนายโขคาา